การเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะในขณะที่เดินหรือนั่งจิตเผลอส่งสัญญาสังขารหรือครุ่นคิดต่างๆแล้วมีสติรู้ตัวที่กายหรือลมหายใจก็รู้เมื่อสักครู่เผลอทราบว่าเราต้องคิดหรือ สัญญาหรือสังขารจะรู้ก็ได้ก็จะไม่รู้ก็ได้ได้ทั้ง 2 รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางอันนี้ปล่อยวางวิญญาณโดยตรงนะที่พุทธเจ้าบอกอ๋อเวทนามันไป นั่นก็ซึ่งได้ทั้งสองอย่างเราไปสนใจสิ่งที่เป็นได้ทั้ง 2 อย่างปล่อยวางบอกไม้ 2 กํากพิงกัน ถ้าไม่มีฉากไม่มีดินไม่มีน้ําแสงปรากฏได้มั้ยวิญญาณ เพราะฉะนั้นปล่อยวางได้ทั้ง 2 อย่างนะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นั่นก็คือ ใช่มั้ยเพราะมันไปรู้ทุกตัวเลยโยมต้องรู้ทุกขณะอาการของ 4 ขันธ์ใช่มั้ยแต่ถ้าโยม เวทนาไม่ได้เกิดอยู่กับเราตลอดใช่ๆนึงอาจจะหลายครั้งแต่ แต่มันมันไม่ได้เกิดพร้อมๆกันงานมันเบาคน ในเรื่องความถี่ในการเกิดของมันแต่มันหลายตัวให้เราได้ก็ดีคนละมุมซึ่งได้ทั้ง 2 มุมนะแล้วแต่ใครถนัดตรงไหนใครดูตรงนี้แล้วมันละความโลภหลงได้ก็เอาล่ะได้และถามว่าตรงเนี้ยต้องการรูปรูปแบบอะไร การปฏิบัติธรรมเราจริงๆถ้าเราเข้าใจแล้วเป็นเรื่องของจิตแล้วเนี่ยมันไม่ต้องการรูปแบบนะจะอยู่ที่สถานที่ ทำความเพียรแค่เนี้ยนะลิสหยิบสัมมาสังคปะในมรรคมีองค์ 8 ละความคิดในทางกามเพยบาทเบียดเบียนอกุศล 3 อย่างนะ 8 ก็ๆกันนะที่พุทธเจ้าตรัสใน สัมมาวายามะได้มาด้วยสัมมาสติได้มาด้วยๆกันอีก 3 องค์ไปไหนพระองค์บอกว่าโซนอาชีวะของเขานั้นของศีล 8 มันก็เป็นไม่ได้ก็เป็น มรรค 8 ก็ๆกันอย่างนี้ 8 โดยง่ายๆรู้ลมหายใจเข้าออก 5 เล่นนี้ทั้งหมดนี้ทั้งหมด อานาปานสติใช่มั้ยอืมอาตมาก็เลยให้อุโสมาร์คบนพูดอยู่แค่เนี้ยเหลือเฟือแล้วเท่า นี่เราถึง 3 กลุ่มนะละนันธินะกายคตาสติอานาปานสติจึงให้ท่านอ่านซ้ําอ่านซ้ําอ่านซ้ําให้ 匈 limite Net